170ผู้ตื่นจากฝันจึงเป็นผู้จัดการนิยายของตนได้ผู้ตื่นจากฝันที่ได้ชำระล้างเหตุนิทานสมูทยายปัจจัยพ้นจากโลกฝันก็ตื่นขึ้นมาสู่โลกแห่งความจริงสำเร็จบริบูรณ์คนโลกอาริยะคือโรคุตระของคนโลก ที่เป็นวิสามันได้ตื่นขึ้นมาสู่โลกแห่งความจริงเพราะได้ลืมตาเรียนรู้ครบถ้วนจึงเห็นอย่างคนผู้ตื่นเต็มรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงได้ทั้งภายนอกและภายในทั้งหยาบกลางและละเอียดจนบริบูรณ์สมบูรณ์ จากภาวะของความเป็นกายอันมีองค์ประกอบของรูปกับนามที่มีในโลกและผ่านมากับชีวิตสร้างนิยายขึ้นกับเราผู้หลงผิดพากันไปหลับตาหนีผัสสาหกอายตนาหกเวทนาหกซันหาหกหลงจมปฏิบัติอยู่แต่ในพระวังจึงชื่อว่า อยู่กับฝันอันมีแต่ความเป็นอดีตกับอนาคตอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรมมชชาะสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ26ถึงเ0เพราะมันอยู่กับฝันลมๆแรงๆมีแต่รู้ด้วยสัญญาเกิดปัญญาไม่ครบองค์หกอันได้แก่ปัญญาปัญญิสีสีปัญญาภะล ธรรมวิจัยสัมโพโชงสัมมาทิฐิมักขังคังตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ258มันจึงมีแต่อรหันเกลอ ก, กันไปในวงการพุทธ